สอน น, นิดหน่อยๆแล้วเราก็ไปดูของเราเองให้มากๆตอนนี้เรียนเยอะไปเรียนเยอะแล้วก็ภาวนาน้อยชิดมากรูปบาอาจารย์เท่นเปื่อยๆแต่บางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกบอกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนี่นะรู้หมดเลยแต่ไม่ปฏิบัติเสียหายนะอย่างเงี้ยมันเอาความรู้อาจารย์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 การภาวนานะมาถึงวันนี้การดูจิตดูใจเนี่ยไปทั่วโลกแล้วมีคนดูได้เยอะแยะแล้วดูเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วด้วยไปเจอพวกโยมโยมทีภาวนาแนวอย่างครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเลยท่านทํำสมาธิอะไรกันฝึกกันเป็นปีๆอะไรเงี้ยนะบอกท่านปีแรกท่านไม่ค่อยเห็นเขาไม่ค่อยเห็นด้วย ว่าหลวงพ่อสอนอย่างนี้มันไม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์เคยสอนแต่วันนี้เปลี่ยนใจแล้วผพราเห็นด้วยแล้วนะเพราะว่าคนในเมืองไปนั่งทําสมาธิอยู่หลายๆปีนะั้นทําไม่ไหวอะ่ะคืนตอนเย็นเหนื่อยแทบตายแล้วให้ไปนั่งสมาธิก็ไปนั่งหลับหลับไปตื่นนึ่งอนอนดีกว่านะตื่นเช้าขึ้นมาไล่ตีลันฟันแทงกับเขาอไล่ชีวิตโหดร้ายทารุณ น, นะตกค่ํา ม, มานั่งสักหน่อยนั่งสักหน่อย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 ถ้าเท่ากับเราเริ่มลงมือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นแล้วไม่ใช่รอไปปฏิบัติตอนก่อนน อ, น, อนระบบปฏิบัติตอนก่อนนอนเลิกได้แล้วนะไม่ได้กินหรอกทั้งวันในะกิเลสเราไปกินหมดแล้วกลางคืนจะมาพอนานิดๆหน่อยๆ น, นะพอเก่าๆกิเลสไม่สะเทือนหรอกคันๆนังนั้นต้องมีสติในชีวิตประจําวันให้ได้ถ้าเรามีสติอยู่ในชีวิตประจําวันรับรองไม่ช้านะไม่ช้า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 ไม่ต้องทําอะไรเลยมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะสติเกิดเมื่อไหร่ความสุขก็เกิดเมื่นั้นผุดขึ้นมาช่วยแผ่วๆเราเลี้ยงจิตใจที่แห้งแล้งะทุกวันนี้ทุกคนมีชีวิตอย่างแห้งแล้งลำบากปากกัดตีนถีบกัดก็ต้องกัดคนอื่นใช่ไหมถีบก็ต้องถีบคนอื่นถีบมันข้างเดียวได้ที่ไหนมันก็ถีบบ้างๆใช่ไหมมันก็เลยถีบกันไปถีบกันมาหาความสุขไม่ได้นะกัดกันไปกัดกันมาเนี่ยชีวิตลําบากมากอยู่แล้วนะ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 สอนมาอย่างนี้เยอะเลยทั้งๆ ท, ง ท, งที่พระไตรปิฎกไม่ได้สอนอย่างนี้อย่างพระนนทนะ์มีมีอยู่บทหนึ่งพระนนท์ท่านเทศไว้ท่านบอกบางคนนะก็ต้องใช้สมถะนาวิปัสสนาะคือใช้สมาธินาปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาไม่ใช้ควบไปนะใช้สมถะใช้สมาธินาปัญญาทำยังไงทําความสงบเข้ามาก่อนสำหรับคนซึ่งทาได้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 กายานุปัสนาเป็นของทําง่ายเวทนานุปัสนาเป็นของพวกอินทรียแก่กล้ากายกับเวทนานี่กลุ่มหนึ่งนะจิตกระทำนี่กลุ่มหนึ่งนะีอย่าไปคลอสกันนะบางคนก็มั่วบอกโ อ, โอกายทําง่ายจิตดูยาก <then cross S 2> <c oughs> เอ็นนั้นคลอสเองท่านไม่ได้แยกกายกับจิตเอามาคลอสกันอย่างนี้ <c oughs> กายกับเวทนา น, านี่ยนะกายานุปัสนาเหมาะกับพวกตัณหาจริตนะเหมาะกับสมถยานิกคือพวกเล่นฌาน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 เราก็ไม่ใช่ลูกกําพละไรอนาคตอีกต่อไปแต่ว่ายังราหรเหินอีกนานบางคนเราหเราเหินอีก7ชาติลําบากแต่บางคนพอใจนะตั้งใจเลยพอได้โสดาแล้วไม่ยอมภาวนาต่อแล้วขอเกิดอีกเจชาติเราจะได้มาเสวยผลบุญพวกนี้ประมาทไป น, นิดนึงมันไม่ใช่มีแต่บุญนี่ที่ผ่านมาก็ทําบาปด้วยใช่ไหมมันก็คงได้เสวยทั้งสองอย่างแหละถ้าไม่ประมาทก็ลูกกายรู้ใจต่อไปอีก เห็นความจริงเป็นลําดับลําดับไปสตินี่ไวมากเลยไววับรู้สึกว่ารู้สึกนะอัตโนมัติไปหมดเลยกิเลสจะเบาบางกิเลสแรงไม่ได้เพราะสติมันเร็วนะนเร็วอัตโนมัตินี่มันเป็นภูมิธรรมของพระสะกิทาคามีนะกิเลสเบาบางนะแต่ใจยังไม่ตั้งมัน่นหรอกใจใส่ไปใส่มานะยังแต่ใสแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะเพราะฉะนั้นพระสะกิทาคามีเนะี่ยมีศีลบริบูรณ์นะ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 ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพอเห็นความจริงอย่างนี้นะจิตจะไม่ยึดถือกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคาไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายนะกามและปฏิฆาจะขาดอนะัตโนมัตินะไม่เกิดลนะนะ้ไม่เกิดเองเพราะว่ากามมันก็คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพนะปฏิฆามันก็ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพนะนั่นเอง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 ตอนนี้ยังเห็นไม่ได้นะไม่ต้องรีบร้อ น, นเห็นฟังไว้ก่อนชาตินี้ยังไม่ได้ใช้ชาติต่อๆไปก็จะได้ใช้ถ้าไม่เลิกปฏิบัติสักก่อนนะให้รู้สึกไปรู้สึกไปอ้าวเทศพอสมควรใครจะกลับบ้านก็เชิญนะนี่ถามแล้วนะให้คนอื่นเขาบ้างถามแล้วถามอีกอ้าวกลับนมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะช่วงที่ผ่านมาขาลงค่ะ ม, มัวมั่วสั่วแล้วก็จงใจปฏิบัติมากเลยค่ะแล้วยินร้ายไหมยินร้ายมากเลยค่ะได้รู้ยินร้ายเข้าไปเข้าไปคุกเข้าไปควานแล้วก็เข้าไปติดพบที่แบบไม่พอใจอะคะ่ะแต่พอมาวันนีมน้มันเป็นพบอะไรรู้ไหมภพที่ไม่พอใจพบอะไรดูออกไหมยพบนรกใช่ไหมนี่เราพลาดพลั้งตกนรกไปชั่วคราวแล้วค่ะหลายวันเลยค่ะเหรอแต่พอ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 ถ้าแรงมากเนี่ยมันเหมือนเราเข้าห้องสอบลนะว่าไอ้ที่เราฝึกอยู่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะั้นยังเบาไปใช่ไหมคะเออยังน้อยนะหลวงพ่อมีแนะมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมไม่แนะนำะแล้วฝึกลูกเดียวค่ะนะทำให้มากเมื่อภาวนาเป็นแล้วต้องทําให้บ่อยๆเรียกว่าพระหุลีกตาทําให้เยอะๆนะขยันทำเนืองๆรู้ไปรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจแล้วแต่สติจ ะ, ะระลึกอะไรนะะระลึกเองดูออกใช่ไหมค่ ะ, ะระลึกเอง อาใครจะยกมือชอิขอบคุณค่ ะ, ะครับหลวงพ่อก็ช่วงนี้จะไปเห็นสภาวะตัวนึงอะฮะก็คือจะเห็นเขาไหวๆใบไห ว, ไหวแล้วก็จะค่อยหมุนๆขึ้นมาครับแล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นเ อ, อ่เนั่นแหละมันหมุนๆ ห, หน้ามันเป็นวัฏตะมันหมุนขึ้นมาครับผมก็จะเห็นจะเห็นบ่อยอะครับออแล้วก็คือเขาก็จะคลายออกไปเองเอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้แหละตอนนี้เห็นอะไรตอนนี้มัวๆครับมีมัวตอนนี้ยจิตไปติดอยู่ในภพนิ่งๆรู้สึกไหม ไปประคองไว้อ่านะเป็นประคองนิ่งๆซึม ๆ, มๆไว้ <c oughs> ให้รู้ทัน <c oughs> ให้รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้องแก้ <c oughs> ต้องใจถึงถึงขนาดไม่แก้นะเช่นจิตมันติดคุกนะสมน้ําหน้ามันให้มันติดไปซิดูซิมันจะติดนานแค่ไหน <c oughs> จิตมันไปติดพบเนี่ยไม่ต้องแก้ถ้าแก้คิดจะแก้แนละยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันไปติดตรงนี้ยแล้วคือปล่อยไเป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 เราพ้นจากความเจริญและความเสื่อมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเจริญขึ้นมาก็ไม่หลงหยินดีเสื่อมก็ไม่หลงหยินไร้ายแล้วเราพ้นแล้ดีแล้วกักภานาใช้ได้นะขอบคุณครับเอาคนนี้เอาเอาคนนี้ก่อนอยากขอคําแนะนํำเฉยๆอะคะ่ะเราอโอแนแอตั้งนานแล้วนะจนคอแห้งแล้วหัด <laughs> รู้นะรู้ไปได้ใจลอยแวบไปรู้สึกไหม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 หรือเบอร์98เบอร์ไหนแน่มองได้สองด้านอ้าวแล้วก็ต่อไปใครจะยกมือเชิญ เ, เบอร์50นะแล้วก็เบอร์อะไร1ิสแล้วนุ่ น, นข้างหลังอ้าวเชิญเมื่อกี้หลวงพ่อบอกวาอ่าน้อมไปนิ่งๆอะคะ่ะตอนแรกก็คิดว่ า, าไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนเนี่ยแค่รู้เฉยๆไม่ต้องสนใจว่า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 คุณต้องนี่ดีมากช่วยเตือนหลวงพ่อกําลังนึกว่าคุณต้องซะ อ, อีกอ่ะเบอร์ห้าสิบเชิญนําการนมัสการหลวงพ่อครับผมมาที่นี่เป็นครั้งที่สองครั้งแรกมาเราไม่เจอหลวงพ่อครับผมอยากจะให้หลวงพ่อตรวจ ด, ดูสภาวะธรรมผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมดีแล้วฝึกไปมันซึมไปนิดหนึ่งนะบังคับตัวเองเยอะไปนิดหนึ่งปล่อยซะแต่ว่าที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้ละวใจมันค่อยตื่นแล้วนะ ถ้าพูดถึงแบบเสมือนถ้าผมตอนเนี้ยผมกําลังเดินถ้าพูดถึงว่าเดินสี่ผัดคุ่นลอยอย่างเงี้ยตอนนี้ยผมเดินอยู่อย่าถามนาเรามีหน้าที่รู้โลงปัจจุบันนะอย่ารีบร้อนยิ่งยิ่งอยากได้เร็วนะยิ่งช้าถ้าคุณรู้ซื่อๆนะไม่ช้าหรอกบอกให้มีบอกใบ้แล้วนะเนี่ยเกรงใจมากนะถึงบอก <c oughs> นูน่นๆูน่นใครนะต่อไปเบอร์อะไรโอ้นูน่น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 <c oughs> ขอบคุณครับใครต่ออาอาที่หลวงพ่อทำเนี่ยทำให้ดู <c oughs> นะหมายถึงถึงขึ้นมาอย่าให้มันไหลลงไปนะห <c oughs> ลวงพ่อขอความเมตตาค่ะคือ อ, อ, อาทิตย์นี้มีปัญหาในที่ทำงานค่อนข้างเยอะทีนี้มีคนมากมายเลยมา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 วิทีเอาตัวรอดแล้วเขาจะมาปรับทุกนะรีบปรับมันก่อนเอาเรื่องตั้งแต่เรายังไม่ได้ภาวนาก็ได้บอกเนี่ยกลุ้มใจมาแต่เด็กเลยเรื่องโน้นเรื่องนี้สีหลังมันเข็ดมันไม่มีความสุขไม่มายุ่งกับเราหนูจะพยายามเราไม่ใช่กระโถนนะตอนนีเ้เกือบจะเป็นแล้วค่ะอืมอย่าไปสมัครเป็นอีกอันหนึ่งคือ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 แต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางนะมันจะเก็บขยะเข้ามานีถ้าหากพลาดพลั้งเก็บขยะเข้ามาแล้วเนี่ยเวลามันฟุ้งขึ้นมาให้สักว่ารู้สักว่าเห็นอ ย, อยากดีอ ย, อยากสงบถ้าอยากดีอยากสงบจะเราจะยิ่งฟุ้งมากกว่าเก่าอีกเพราะ mm. ฉะนั้นถ้ามันจำเป็นต้องฟังหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ฟังอย่างมีสติถ้าระหว่างที่ฟังเกิดขาสติไปมีอารมณ์ร่วมกับเขายังไงก็มีขยะกลับบ้านนะนะแล้วเราก็นั่งดูขยะไปรับชะตากรรม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 แยกสมถะกวิปัสสนาให้แม่นๆแล้วก็ไปได้วิธีการไม่สำคัญหรอกับนะเปลือกจะเป็นเปลือกอะไรก็ใช้ได้นะเราภาวนาแบบมีปูอะไรนะคุณมนุลูไหมปูอะไรที่มันเปลี่ยนไปอยู่ในหอยเซเสฉวนใช่ไหมไอ้อปูนี่นะบางตัวมันก็ไปอยู่เปลือกที่สวยๆใช่ไหมบางตัวเปลือกไม่สวยเนื้อในมันอันเดียวกันแต่เปลือกไม่เหมือนกันไม่สาคัญหรอกนะสาคัญที่เนื้อใน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 สัมมาสมาธิใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูใจเป็นคนดูใจตั้งมั่ н. นะสมาธิที่พวกเราทําเป็นใจเข้าไปตั้งแชนะ่เช่นไปรู้ลมหายใจใจก็ไปอยู่แช่อยู่ที่ลมไปรู้ท้องใจไปแช่อยู่ที่ท้องไปเดินตรงกลมใจไปแช่อยู่ที่เท้านะครับสายหลงพ่อเตียนขยับมือหลงพ่อเตียนขยับแล้วตื่นนี่ลุ่มสิร์วุ่นหลังๆบางคนขยับแล้วไปแช่อยู่ในมืออย่างนี้นี้ใช้ไม่ได้นะสมาธิต้องตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่เห็นสภาวะไหลผ่านหน้าไป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 เดี๋ยวก็เป็นผู้ดี mm hmm. เดี๋ยวก็เป็นผู้ร้ายเนี่ยปล่อยให้มันทํางานไปแล้วเพื่อเราจะได้เห็นว่ามันไม่คงที่หรอกอ่ะต่อไปใครโอ้เสื้อเหลืองเนี้ยเสื้อลายๆเนี้ยเออแล้วเดี๋ยวคุณผู้หญิงผมยาวตัดไปนะกล่าวน้มันส ก, การหลวงพ่อครับเพิ่งมากล่าวหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะครับตอนแรกเตรียมคําถามมาจากบ้านเยอะเลยครับแต่ว่าพอมานั่งฟังตั้งแต่เช้าก็รู้สึกว่าไม่อยากถามแล้วครับ mm hmm. ก็เลยมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับอฝ mm hmm. ึกไปนะฝึกไป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 มีใครบ้างใครอาคนนี้เขายกก่อนนะคนนี้ยกไว้ยกไว้หมดเวลายังนักการนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะให้หลวงพ่อตรวจดูสภาวะธรรมขนาดนี้ค่ะซึมไปนิดนึงซึมไปนิดนึงรู้สึกไหมก็เหมือนกดกดนี่นั่นแหละไปกดไว้เดี๋ยวไปกดมันซิจะได้มีความสุขค่ะทําไมต้องกดกลัวไม่ดีกลัวไม่ดีกลัวไม่ดีนึกออกไหมเออทาไมต้องกลัวไม่ดี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 ใจซึมไปนิดหนึ่งแล้วให้รู้ว่าใจซึมไปนะครับให้หลวงพ่อตรวจครับเราแบบไม่ใช้งานเราเยอะเยอะเห็นกิเลสเยอะแม่วันหนึ่งของคุณพอใช้ได้แล้วล่ะถ้าภาวนาไปแล้วเราเห็นกิเลสเกิดได้ทั้งวันนะนี่ภาวนาเก่งถ้าภาวนามาสามวันสามคืนไม่เห็นกิเลสเลยนี่ภาวนาผิดแน่เลยเพราะว่าใจของเราต้องมีกิเลสบ้าง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 เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามดูของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แจ้งเองนะ่ะมันจะเห็นอะไรทุกอย่างชั่วคราวนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวโรคหลุดลงก็ชั่วคราวความรู้สึกตัวก็ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็หลงไปอีกแว u, ๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงอีกแว๊บนึงดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ยากหรอ ok. กใจมันอยากพูดรู้สึกไหมเมือ่อกี้เนี่ยมันอยากพูดดันขึ้นมาหนึ่งเฮือกเนี่ยเราก็รู้ทันว่าใจมันอยากพูด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 หน้าที่ของความทุกข์มันคือม็นคอยเสียดแทงเราดูด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางฝึกอย่างนี้เรื่อยๆอ้าวยมเมื่อกี้ยกมือรานมาส ก, การกับหลวงพ่ออ่าดิฉันเพิ่งมาครั้งแรกค่ะอยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อแนะแล้วนะไปฟังซีดีบ่อยๆนะ เนี่ยจำได้ันนี้เมื่อกี้บอกให้ไปฟังซีดีไปฟังเรื่อยๆ <c oughs> ฟังแล้วจะมีความสุขนะ <c oughs> ฟังแล้วใจจะค่อยๆตื่นขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวค่อยมีสติมีปัญญาขึ้นเป็นลำดับลบ <c oughs> ะะเบอร์89อเอายกมือไว้ยกมือไว้ <c oughs> แล้วต่อด้วยอ้นนะเต็มตัวไว้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 อย่างนั้นก็เป็นพัฒนาการนะเราเรียนเพื่อให้เข้าใจเท่านั้นนะมันดูมาหลายปีมันไม่เข้าใจมันเพิ่งมาเออไม่เป็นไร<า>ดูไปเรื่อยๆเขาดูกันตั้งหลายชาตินะกว่าจะเข้าใจดูหลายปีเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจิตของอ้นไปประคองไว้ดูออกไหมดูออกครับมัน ม, มีซึมมีที อ, อนั่นแหละ ม, มันซึมอยู่ให้รู้ทันไปนะอ้าวไม้ส่งกันบ้านไปยกมือ ยกมือไว้เขาจะได้ส่งก็ได้เออทําไมหน้าตามันน่ากลัวเงั้นมันไม่ค่อยมีสติมาสองสามวันแล้วครับ ม, มันเหมือนโมหะมันแทรกตลอดให้รู้ว่ามีโมหะนะที่บอกว่าไม่มีสตินะ่ะไม่ใช่หรอกเอางี้นะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ได้ประคองไว้ท่างหากละ่ะครับไม่ประคองน้อยลงดีแล้วนะครับดีกว่าประคองเยอะครับลนะองมอาถามหน่อยเรื่องเรื่องอายตนาคําที่เมื่อเช้าท่านพูดเป็นยังไงครับ อายตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปโฑทพระธรรมารมณ์รู้จักไหมรู้จักครับเอองั้นไม่ต้องพูดละขอบคุณ ว, วันนี้มันเหมือนมีปีติอะคะแล้วมันนิ่งๆแต่ก็มันมันไม่ได้ไปยืดเชิงรู้สึกเลยว่าใจมันอัพอยู่มันอัพเกินจริงนะมันดันขึ้นมาให้รู้ทันว่าอัพอยู่ไม่ต้องไปแก้่นะก็แค่แค่รู้ว่ามันอัพแค่นั้นใช่ไหมครับอะส่งมาข้างหน้า นศการค่ะอา้าวป้าโสหรอกเหรอค่ะหลวงพ่อคะก็คือช่วงนี้ภาวนาไปแล้วอยากเข้าป่าค่ะแล้วไมอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเร า, เรารู้สึกว่าเราเหมือนเรามาจากป่านะหลวงพอ่ อ, อเรายังอยู่ในป่าเลย <c oughs> ไม่ต้องเข้าป่าแนละ้ว <c oughs> ตอนนี้เรากำลังหลงป่าเร <c oughs> <c oughs> ามีสติเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลุดออกจากป่าไปเองล้ ไม่ต้องไปเข้าป่าอย่างไหนหรอกป่ามีให้เข้าเรือ่องไปดูสิ่แทบจะไม่มีต้นไม้ละ <_ C' est> ก็ก็มาเรียนรู้อย่างนึ่งว่าจริ ง, ร ง, รงๆเหตุที่ทุกที่แท้จริงก็สำลับโซนนะคะเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่ใจนะคะ ม, มันไม่ใช่เกี่ยวสิ่งภายนอกอะไรอย่างานี้นะคะพ่อแต่มันมก็เป็นบางครั้งที่เพราะ ง, งั้นทางปนทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ที่ป่าค่ะให้รู้โลงปัจจุบันไปคือเรามก็จะวนอย่างเนี้ค่ะหลวงพภาวนานะอย่าไปเลือกสิ่งแวดล้อมค่ะ เรายังจำเป็นต้องอยู่ในบ้านเราก็ภาวนาในบ้านเราต้องอยู่บนถนนขับรถอยู่ก็ภาวนาบนถนนอยู่ที่ไหนแล้วก็ภาวนาที่นั่นอ้าเบอร์เส่งกันบ้านค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยดูให้ด้วยนะครับคือเท่าที่สังเกตอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ดูใจตัวเองอะค่ะอย่างตอนที่บางทีคุยกับใครนะคะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกเหมือนแบบ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 ไม่คลุกคลีก็คือไม่คุยเยอะถ้าคลุกคลีมากก็ต้องพูดมากใช่ไหมพูดมากใจเราก็เสียพลังแขวงไปแขวงมานี้เราพูดน้อยๆเพราะของคุณเวลาพูดนะมันจะพร้อมจะอินในการพูดพรอะไรนะคะอินเออมันจะอินนะนึกออกไหมค่ะเออมันอินแล้วมันจะมันแล้วมันไปเลยแล้วไม่ใช่น้าหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้าคุยน้อยๆได้คุยน้อยๆไว้ก่อนจะช่วยให้เราจิตใจเราตั้งมั่นมากขึ้น แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าที่ว่าอยากดีเงี้ยค่ะคือบางทีแบบบางคนที่เขากดหรือเพ่งนี่คืออยากดีแต่ว่าถ้าติร์ตัวเองเข้าใจไม่ผิดนะคะของมันจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความที่ว่ากดหรือเพ่งเท่าไหรอ่อะค่ะไรแต่ก็<ๆ>จริงๆก็คืออยากดีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่เพราะเรากดไม่เก่งแต่เราฟุ้งมาก <c oughs> ใจฟุ้งแรงรู้สึกไหมจะฟุ้งแรงทําสมาธิไม่ได้หรอกไ ม, ไม่ต้องไปกดมาหรอกนะไม่ลงหรอกแล้วก็ใจมัน ใจมันขี้ดือ้อขี้โมโหรู้สึกไหมค่ะแล้วให้เราใครรู้ไปนะ <c oughs> อา้าวทางนี้ <c oughs> เชิญ <c oughs> คุณติม๋มเ <c oughs> บอร์ก้าใจลอยไปแล้วเห็นไหมเราส่งใหม่ไปเลยหายไปเลยเนี่ยตรงนี้กดเอาไว้ตรงนี้ไม่เอานะอย่าไปกดเดี๋ยวขอดูพวกที่ส่งกันบ้านแล้วหน่อยเดี๋ยวจะมีความสุขมากไป <c oughs> เ, เห็นไหมเนี่ยสายตา บางคนนะเอารูปหลวงพ่อไปติดไว้แล้วก็ผวานะไม่กล้าสบตากับรูปอคุณติ๋มเช่นพอรับมาแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะคะก็อยากให้หลวงพ่ออาหลวงพี่ตรวจว่าปฏิบัติตอนหลังๆนี้เป็นไงบ้างคะอย่าไปบังคับมันก็แล้วกันยังบังคับอยู่เลยบังคับอยู่ แ, แต่ภาคหลั ง, ลงๆนี่มีความรู้สึกว่าเวลาคุยกับใครนี่เหมือนเราต้องตั้งใจมากๆถึงจะเข้าใจเขาไม่ใจใ จ, ใจมันหนีโลกไปนะ ใจใมันหนีออกไปจากโลกไปมันไม่ค่อยอยากรู้อะไรแล้วแล้วก็จะเป็นนิ่งๆทื่อๆอยู่นั่นแหะไม่เอาต้องทำยังไงอะฮะ concentrate นิดนึงตั้งใจฟังนะทำเป็นไหม อ, อย่งต้องเลยค่ะแบบเวลาจะคุยกับตอ่งอจะ ย, ยกตัว อ, อย่างให้นี่จะคุยกับบุญทวีอะต้องตั้งหลักนี้ก่อนนะเพราะว่ามันจะเวียนหัวเยอะไหม มันต้องตั้งใจค่ะไม่งั้นมันจะไม่รู้ตัวเลยว่าตึ้งเข้าใจไม่มันจะหนีหนีไปหาความสุขหลบไปอยู่เงี้ยเออเห็นไหมเออทำเก่งนะเพราะว่าเล่นพวกนี้มาตั้งยี่สิบกว่าปีอยากให้ทำจิตแบบไหนได้เท่านั้นเลยนะไม่เอาไม่ใช่ทางอะ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 เอาเบอร์ยีบเกยกไปยกมือไว้เบอร์ย29เาอายกไว้เร็วเขาจะได้ส่งถูกเนี่ยอยู่หลังมา น, นั่นแหละ <c oughs> น, นี่มานี่หลวงพ่อชอบมากเลยมันสะใจดีเ <c oughs> มื่อกี้กาลังเผออยู่เลยค่ะหลวงพ่อเรียก <c oughs> ที่ภาวนาอยู่ดีนะใช้ได้แล้ว <c oughs> ไปส่งต่อไปนู่นเลยไหนคะนั่นะ <c oughs> คุณที่ใส่เสื้อปกแดงๆอะส่งกันบ้าน <c oughs> ตอนนี้มึนๆอย่ครับ ดูไปนะครับเอาคุณเองยกมือไว้ช่วงนี้จิตมีกำลังกว่าคราวที่แล้ว่ใช่ใชฝังเข็มน้อยลงหรือไม่ได้ฝังใครสองสามวันนี้งดไปเลยค่ะไม่ได้ฝังเข็มสิไม่ใช่ไม่ได้ฝังใครรู้สึกไหมจิตมีกำลังขึ้นมาแล้วมีแล้วค่ะเราใช้พลังมากไปเวลาที่เราฝังนะเราใช้กำลังภายในเยอะไป วันวันก่อนพี่นัทก็โทรมือถือมาแล้วส่งกำลังภายในมาให้ก็ก็รู้สึกว่าแบตมันเริ่มเต็มนะะพอจากที่พี่นัทส่งกำลังมาให้ก็หลับไปเลยจากนั้นก็ค่อยมีแรงขึ้นมาหน่อยค่ ะ, ะก็อย่าไปพึ่งคนอื่นนะอย่าพึ่งตัวเองไะ <c oughs> พี่นัทส่งมาพี่นัทก็หมอบเหมือนกันเลยอ้าวภูมิยกมือไว้ภูมิลืมแล้วค่ะว่าจะส่งอะไรฮอ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 เห็นชัดเลยค่ะว่าจิตมันบังคับไม่ได้อ่ะค่ะทั้งๆทีทเ่เรียนกับหลวงพ่อมานานก็ทราบเนี่ยแต่ก็ยังไม่ไวายไปให้ข่า ม, มันแล้วก็เกลียดมันนะคะแต่ก็พยายามรู้ทันมันไปอะค่ะดีแล้วภูมิหลงไปแล้วไม่ต้องไปค้นคว้านะว่ามันดียังไงอะถ้าไปคน้นคว้าเราจะฟุ้งซ่านไปนะรู้สึกเล่นๆไปรู้สบายๆเนี่ยแข็งเกินไปละรู้สึกไหม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 เมืออ่อมอรับกดแล้วกดไว้แล้วเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ถึงใช้ได้อ่ะพูดไปเมื่อรอบสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะก็มีความรู้สึกว่าจิตมันทำงานได้เองอะค่ะแล้วก็พอมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเป็นอยู่หลายวานันแล้วแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้เรามีทางเดินแล้วเหมือนกับว่าเราเ ร, าเราู้สึก ว, ว่าเรารู้แล้วแล้วว่าเราจะต้องเดินอย่างไรอะค่ะ แล้วก็พอจิตมันคิดก็รู้ตอนตอนที่จิตมันไปเนี่ยก็จะรู้แล้ ว, ลวเริ่มมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันเห็นความเวลาที่มันเห็นความคิดนี่มันเห็นด้วยความชัดเจนมากเลยค่ะชัดเจนแล้วก็แต่จิตมันไม่ค่อยมารู้สติที่กายแล้วนะคะ<ม>ตอนนี้เหมือนกับมันจะเข้าไปรู้ที่ใจมากกว่าอะไรก็ได้นะใช้ได้แล้วแล้วบางทีพอพอรู้ที่ใจแล้ว วิธีมันก็อยากจะหายใจลึกเองอะค่ะเหมือนกับมันหมดหมดหมดกำลังหรือไงเนะี่ยมันก็จะหายใจอย่างลึกเองมันคือมันเปลี่ยนให้เองแบบที่เร า, เ<อ>าไม่ต้องไปทำมนอนนั่นแหละดูมันทํางานมันไม่ใช่เราแล้วเราจะต้องดึงมันมาอยู่ที่กาย ไ, ม ห, ห, ไหมคะเพราะว่า <c oughs> เหราไม่ <c oughs> ออกก็ยังว่าผิดตรงไหนเออรู้แล้วก็ส่งไปอ้าวคนลบบุหรีคขอบคุณค่ะนี่อุตส่าห <ไป S 2> ์มาไกลมีเสาเป็นที่พึ่ง ว่าไงว่าไงไม่ค่อยรู้อะไรแล้วค่ะอะไรนะตอนตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยรู้อะไรอะค่ะแล้วก็รู้กายรู้ใจไปไม่ต้องรู้อะไรหรอกนะจิตใจเราเป็นยังไงขนาดนี้รู้สึกไหมตื่นเต้นหน่อยหน่อยค่ะตื่นเต้นหน่อยหน่อยรู้ว่าตื่นเต้นก็รู้่ะตอบถูกละก่อนหน้านี้มันไม่มีแรงนะมันก็เลยเหมือนดูอะไรไม่ค่อยจะออกมันหมดแรงไป เมื่อชาวนี้นี่คือมันหมดแรงใช่ไหมคะใช่แล้วมันเลยไปอยู่นิ่งๆใช่แล้วมันเหมือนหนูรู้สึกว่ามันจะจ้าอยู่ข้างบน น, น, นั่นแหละเวลามันหมดแรงแล้วมันไปจ้าอยู่งั้นเลยและไอ้ข้างล่างมันมีโมหะปิดข้างบนหน่อยหนึง่งแล้วก็<ช>มีอะไรไวๆอยู่ข้างล่าใช่ใช่แหมตอบถูกเป๊ะเลยถูกเป๊ะเลยใช้ได้อันอันนี้ยังไม่มีอะไรผิดใช่ไหมคะถูกแล้วเห็นไหมมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นโดยไม่ได้แทรกแซงเลยใช้ได้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 ดูอย่างนี้เรื่อยๆมาส่งมาหลานหนูหนาส่งกันบ้านชื่ออะไรลืมไปแล้วอขอแกรครับชื่อปนะ๊อปครับก็ช่วงนี้กลับมามองตัวของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ไปมองคนอื่ น, นมากเกินไปนะครับกลับมามองอนิสัยลึกๆของตัวเองด้วยดีก็เริ่มเห็นความไม่ดีของตัวเองค่อนข้างเยอะมากเออดีครับ ถูกต้องแล้วดีแล้วดูไปไปส่งไปข้างหลังเลยเอาใครจะเอาก็เอาส่งไปก็ยากให้หลวงพ่อดูช่วยดูสภาวะซึมไปนิดนึงนะแกมันซึมไปนิดหน่อยนิดเดียวไม่เป็นไรครับที่คุณฝึกอยู่ดีแล้วครับเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงดูออกไหมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวั น, น, น, นดูไปเรื่อยๆขอบคุณครั บ, รบเอาโยโยกมือไว้โย อา้าวอาจารย์นั้นยกมานานแล้วอา้าหลวงพ่อลืมไปแล้วว่าไปอาทิตย์นี้รู้สึกว่ามันมีแรงค่ะอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกแห้งๆค่ะเอใจมันสายแห้งเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมีแรงสลับไปสลับมาค่ะมเมเติยงฟุงซานค่ะเอเอถีอ้าวทรงมาโยอา้าวนั่นก่อนก็ได้คุณนั่นแหละไหนๆก็หยิบไม้แล้วอานักสการหลวงพ่อคะ่ะคือ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 เสร็จแล้วก็กลัวว่าจะดูไม่ได้อีกก็เหมือนเพลงเพลงสะพากหนึ่งก็โมหะแทรกแล้วก็เอ๊ะยังไงต่อดีก็รู้ว่าเอ๊สิอะไรเป็นปัจจุบันรู้ว่านั้นแหละนะดีแล้วใช้ได้แต่เหมือนก็แบบดูไปแบบงงๆงงงยังไงก็ไม่รู้ค่ะอย่าฉลาดเลยกรรมฐานนะเรียนมันงงๆอเรียนซื่อๆแล้วยังไง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 มันเหมือนไม่รู้อะไรเลยอะคะ่ะรู้ว่าไม่รู้อะไรเลย <c oughs> เห็นไหมมันรู้จนได้แหละ <c oughs> อา้าวโยยกมือว่าโยไม่มีหรอกสภาวะไม่มีหรอกนะว่าขณะใดไม่มีสภาวะไม่มีอนะครับเนี่ยจะให้ฟังเสียงหน่อยมีแต่เสียงคนอื่นในซนะีดีอ้าวโยว่าไปคือรู้หยุดที่ตง้งที่เป็นกลางตรงนี้มัน กลางมากไปเล่ครับอตรงนี้ไม่กลางแล้วนะนตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นไปแล้วที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้ดีแล้วมันบางทีได้ยินเสียงอะไรนิดนิดหน่อยหนอยมันจิตมันไหวเตออ ล, ลอดเลยดีแล้วมันไม่อยู่นิ่งหรอกความเป็นกลางไม่ใช่แปลว่ากระทบแล้วไม่ไหวนะกระทบแล้วมันก็ไหวไปมันกระเทือนไปแต่เราไม่ได้เกลียดมันที่มันไหวในนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นกลาง ไม่ใช่ว่ากระทบแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นเลยไม่ใช่เพระฉนั้นจิตกระทบอารมณ์เช่นตามองเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะเนี่ย <ston> ร, รู้ว่ามีราคะใช้แค่นี้ใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าดูยังไงจะไม่เกิดราคะอันนั้นแทรกแซงแล้วอ้าว่าไปก<ม>็รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวทําให้เราปฏิบัติได้ค่อนข้างจะดีดีขึ้นนะคะอื<ด><ก net>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 ว่าไปอ า, อาอนนแถ ม, แถมโอเคแล้วใช่ไหมคะเออโอเคแล้วนะอ้าวเชิญกลับบ้าน